กะเจริญพรทุกๆท่านธรรมของพระเจ้านั้นประณีตลึกซึ้งแต่ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอกถ้าเรารู้เราเคยได้ยินได้เคยได้ฟังก็เข้าใจง่ายถ้าไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินเลยก็เข้าใจยากหน่อยตอ น, น, นแรกๆมันฝืนความรู้สึกของเราเยอะมารมของพระเจ้าฝืนกับโลก อย่างเรื่องทุกข์นี่ใครๆก็เกลียดทุกข์อยากไม่เจอทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ความอยากนะัใครๆก็อยากพระพุทธเจ้าบอกให้ละความอยากนิพพานนะเราก็อยากให้บรรลุสักทีอยากให้นิพพานเกิดขึ้นจริงๆนิพพานไม่เกิดถ้าเกิดได้ก็ไม่ใช่นิพพานนิพพานไม่เกิดไม่ดับมรรคมีมองค์แปดไม่รู้จะภาวนานยัางไง ปฏิบัติยังไงมีตั้ง8ข้อในสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัตินะั้นมันจะไม่ยากอะไรเลยปกติเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมเราคิดถึงเรื่องไปนั่งสมาธิบางคนก็คิดถึงเรื่องเดินจงกรมคิดว่ต้องทําอะไรที่ไม่เหมือนคนธรรมดาเกิดปกติที่จริงแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ได้มีอะไรยุ่งยาก วุ่นวายอะไรเลยความคิดของเราเองทำให้เรายุ่งยากไปเองธรรมะภาคปฏิบัติไม่เหมือนภาคปริยัตินะภาคปริยัตินั่นก็คนพูดก็เตรียมมีโผมาละวันนี้พูดเรื่องนี้เรื่องนี้มีหัวข้อนี้พูดไปเรื่อยๆตามที่กำหนดไว้แต่ธรรมะภาคปฏิบัตินี่นพูดกันด้วยใจคนฟังเอาใจมาฟัง ธรรมะก็จะออกจากใจของคนเทศธรรมะมันจะพอดีกับคนฟังเข้าใจของเรามีคุณภาพพอธรรมะมันก็ประณีตเขาใจเราวอกแวกวอกแวกธรรมะก็ไม่ดมีจะเข้าใจยากคนงทีฟังก็ไม่รู้เรื่องถ้าเราจิตจะภาวนานะจิจะยกระดับใจของเร า, เ ร, ารู้ก่อนว่าเราทําเพื่ออะไร เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้ใจเราพ้นจากความทุกข์อถอนใจของเราออกจากความทุกข์ไม่ได้คนในโลกก็จมอยู่ในความทุกข์ตลอดเวลาตั้งแต่เล็กๆมาโตจนแกจนจะตายนะใจก็ยังมีความทุกข์อยู่ไม่สามารถถอดถอนตนเองออกจากความทุกข์ได้ในที่พระพุทธเจ้าท่านมาสอนทรมาให้เราเนี่ย วัตถุประสงค์จริงๆเพื่อถอนใจของเราออกจากกองทุกให้ได้ทำไงใจถึงจะพ้นจากกองทุกได้ท่านก็สอนหลักของการปฏิบัติเอาไว้ให้เราให้เราเรียนเรียนรู้นะเรียนรู้เรื่องทอํายังไงเราจะรักษาสีเพื่อไปสู้กับกิเลสหยาบหยาทำไงเราจะฝึกจิตให้มีสมาธิสู้กับกิเลสกลางๆทํางทำไงเราจะเกิดปัญญาสู้กับกิเลสชั้นละเอียดได้ มีการถอดถอนกิเลสออกจากใจได้เมื่อไหร่เความทุกข์ก็หมดไปเมื่อ น, นั้นตัวที่ทําให้ใจเราเป็นทุกข์ก็คือกิเลสนั่นเองงั้นหน้าที่ของเราเนี่ยจะต้องมาถอดถอนกิเลสออกจากใจด้วยเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้ทุกวันนี้คนสอนกรรมฐานมนมีเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าถ้าเราทวนดูว่าตรงกที่พรพุทธเจ้าสอนไว้หรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันหรอก ถ้าพวกเราภาวนาปฏิบัติธรรมแล้วกี่กปีกี่ปีเหมือนเดิมทุกอย่างเดิมทุกเท่าเดิมแสดงว่าไม่ถูกหรอกถ้าปฏิบัติถูกความทุกข์ต้อลดลงหรือถ้าเราปฏิบัติมีแต่ความสุขอย่างเดียวเลยมีชีวิตอยู่มีแต่ความสุขล้วนๆเลยอันนี้ก็ต้องผิดแน่นอนอีกเพราะจริงๆแล้วในความจริงแนละ้วชีวิตมันทุกข์มันไม่เป็นสุขหรอกชีวิตนี้เป็นทุกข์ แต่ใจที่ฝึกดีแล้วมันถอนตัวออกจากกองทุกได้นี้นเราพยายามมาศึกษานะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านสอนบทเรียนให้เราสามบทเราต้องเรียนให้ได้ทั้งสามบทห้ามข้ามบทเรียนของท่านบางคนบทดีข้ามบทเรียนของพงระพุทธเจ้านเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไปแล้วบทเรียนที่หนึ่งชื่อศีลสิกขาเรียนเรื่องศีลศีลเบื้องต้นที่พวกเรา รู้จักกันมาสีลขอเจอพระก็ขอสีนไว้ก่อนขอเสร็จแล้วก็คืนพระไปเลยสีนนี้จริงไม่ใช่สีนที่ขอหรอกสีนี้จริงเป็นเจตนาของใจเรานะที่ตั้งใจจริงที่จะงดเว้นการทำวาปอากุศลทางกายทางวาจาแต่ทางใจยังงดเว้นไม่ได้ไก็กายวาจาให้มันเรียบร้อยก่อนไม่ไปลุกรานคนอื่น ันอยู่ที่เจตนาของเรานะถ้าเราตั้งใจจริงว่าเราจะไม่ไปร้าานคนอื่นทางกายทางวาจาเนะนี่ยเนี่ยราคือตั้งใจรักษาศีลไหมมีการรักษาศีลด้วยการตั้งใจอย่างเดียวยังไม่พอรักษายากเพราะว่าสติมันไม่ทันจิตกิเลสมันเข้ามาครอบงาจิตเอกิเลสครอบงำจิตเตมื่อไหร่นะโอกาสจะผิดศีลนั้นก็เกิดขึ้นคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงาจิต เป็นพวกเราที่เที่ยวถือศีลขอศีลขอแล้วก็ไม่เอาจริงหรอกขอแล้วก็คืนพระหมดเลยเช่นขอศีลเสร็จก็ฟังพระเทศระหว่างพระเทศก็เทศแข่งกับพระคุยไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆนี่ศีลดังพลอยไปละพูดเพ้อเจอ้อพูดในเวลาที่ไม่สมควรพู ด, พดนี่พูดเพ้อเจอ้อศีลดังพลอยหรือทุกวั น, นวไม่ฟังข่าวใช่ไหมฟังข่าวมีแต่เรื่องไม่ดี เรื่องเคลียดเรีย ด, เ ร, ยดเราก็กดไลค์กดแชร์อะไรไปเรื่อยนะส่งเสริม <c oughs> ให้ความฟุ้งซ่านของคนอื่นมันเพิ่มขึ้นก า, การรักษาศีลจริงๆนะไม่ใช่รักษาที่กายที่วาจาต้องรักษาที่ใจวิธีจะรักษาศีลที่ใจทำยังไงให้มีสติรู้ทันใจของตัวเองไว้ถ้าใจเรามีราคะเกิดขึ้นมีความโลภเกิดขึ้นให้รู้ทัน ใจเรามีความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ทันใจเราฟุง้งซ่านให้รู้ทันใจโหดผูให้รู้ทันคอรู้ทันความรู้สึกรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดที่ใจนยอย่างราคะเกิดความโลภเกิดถ้าเรารู้ไม่ทันมาความโลภมนครอบงำใจความโลภครอบงำใจทําผิดศีลห้าได้หมดเลยทุกทุกข้อเลยมีความโลภขึ้นมาก็าไปทำร้ายคนอื่นเขาไปปล้นไปชิงทําทร้ายเขาได้ ไปลักทรัพย์เขาได้เป็นชู้กับเขาได้ริ้นปล่นหลอกลวงก็ได้หรือราค้าครอบนาใจนะเฮฮาสนุกสนานกินเหล้าคนไทยชอบนะมีความสุขก็ต้องกินเหล้าเวลามีโทสะเกิดขึ้นก็ทําผิดศีลห้าได้อีกมีโทสะเกิดขึ้นไปทํำร้ายคนอื่นก็ได้ไปแกล้งทํำลายทรัพย์สินเขาก็ได้ขโมยเขาก็ได้แกล้งไปเป็นชู้กับเขาก็ได้ด่าเขาก็ได้นะ แกงชมให้เขาเสียคนไปเลยก็ได้ทําได้สารพัดโทสะครอบงาใจใจเศร้าหมองไม่สบายใจกินเหล้าความฟุง้งซ่านเกิดก็ทําผิดศีลห้าข้อได้เหมือนกันนั่นกิเลสตัวใดตัวหนึ่งนะราคะโทสะโมหะทําให้เราผิดศีลห้าได้หมดเลยนั่นถ้าเราอยากรักษาศีลให้ดีนะเรารักษาใจมีสติรักษาจิตไว้ราคาเกิดความโลภเกิดขึ้นในใจรู้ทันนะ ความโกรธเกิดขึ้นในใจรู้ทันความหลงความฟุ้งซ่านต่างๆเกิดขึ้นที่ใจเค ร, รู้ทันไหมถ้าเรารู้ทันกิเลสมันจะดับอัตโนมัติจะดับเองไม่ต้องไปดับมันหรอกที่ใดเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสหรอกฉั้นทําเมื่ไร่รู้ทันกิเลสกิเลสจะดับเองกานศีลอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นฉั้นพวกเราต้องตั้งใจนะตั้งใจเบื้องต้นตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อน ตื่นนอนมาตั้งใจรักษาศีลห้าก่อนจะกินข้าวของวันก็ตั้งใจก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจก่อนจะนอนก็ตั้งใจเราจะตายตอนไหนไม่รู้นะนตั้งใจไว้เรื่อยๆเราก็ตั้งใจอย่างเดียวไม่พอนะให้มีสติรักษาใจไว้ด้วย่ครรู้ทันกิเลสอะไเกิดที่ใจรู้ไปด้วกกิเลสครอบงำใจไม่ได้ศีลมันมาเองศีลเกิดอัตโนมัตนะิเราจะต้องฝึกนะัน้นจนศีลอัตโนมัติเกิด น, นะ ในขณะที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยศีลก็ต้องอัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติปัญญาก็อัตโนมัติถ้ายังจงใจรักษาศีลจงใจทําสมาธิจงใจเจริญปัญญาอยู่ขณะนั้นไม่มีทางที่จะเกิดอริยมรรคเลยต้องฝึกจนมันอัตโนมัติไปหมดเลยกุศลทั้งหลายเนี่ยอัตโนมัติไปงั้นจะฝึกมาถึงจุดนั้นได้น่ะขยันดูพวกเรารู้จักโกรธไหมรู้จักโลภไหมโอเด็กยังรู้จักเลย อยากกินไอติมเป็นโลภหรือโกรธอยากกินขนมโลภหรือโกรธเอาแล้วสิบอกว่ารู้ครับ <laughs> อยากได้มาถ้าอยากได้มาเนี่ยเป็นโลภถ้าอยากผลักออกไปเนี่ยเป็นโกรธ ด, ดูง่ายๆนะใจมันจะไปดึงโน้นเข้ามาเนี่ยอนันนี้โลภถ้าใจจะผลักออกไปนั้นโกรธ ด, ดูง่ายๆดูที่ใจ งั้นเราค่อยฝึกนะค่อยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่ใจก็รู้ทันทุกคนรู้ได้อยู่แล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วโกโรธเป็นไงเราก็รู้โลภเป็นไงเราก็รู้ฟุ้งซ่านเป็นไงก็รู้หดหู่เป็นไงก็รู้นะความลังเลสงสัยเป็นยังไงก็รู้งั้นไม่ว่ากิเลสอะไรเกิดที่ใจรู้ทันบ่อยๆต่อไปเนี้กิเลสจะครอบใจไม่ได้สีมันมาเองไม่ต้องที่นรนไปขอใครเลยสีอัตโนมัติจะเกิดสีมันดียังไง ถาเรามีศีลแล้วใจมันจะสงบง่ายคนไม่มีศีลใจจะฟุ้งซ่านคนคิดจะทำร้ายคนอื่นนะฟุ้งซ่านคนเม่ตาคนอื่นไม่ฟุ้งซ่านคิดจะขโมยเขาฟุ้งซ่านนะคิดจะให้ครับไม่ฟุ้งเท่าไหร่ฟุ้งนิดหน่อยฟุ้งเหมือนกันนะไม่จะให้ที่ไหนดีเปิดหนังสือพิมพ์จะมาถ่ายรูปเลือกให้นะเจอกิเลสนิดหน่อย แล้วคอยมีสตินะรักษาใจดูไปเรื่อยพใจมันสงบมีศีลขึ้นมานะใจมันจะสงบคนไม่มีศีลใจยังฟุ้งซ่านความสงบเป็นฐานให้เราพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปอีกตัดจากนั้นนะรักษาศีลได้แล้วเนี่ยมาฝึกจิตให้มีสมาธิสมาธิมีหลายชนิดนะพวกเราต้องระมัดระวังให้มากเลย บางคนเอะก็นั่งสมาธิเนี่ยก็นั่งสมาธิไม่รู้ว่าสมาธิมีหลไรแบบสมาธิมีสองกลุ่มใหญ่ๆนะสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิสมาธิอะไรไม่ประกอบด้วยสตินะเป็นมิจฉาสมาธิทั้งนั้นเลยขาดสติซะอย่างเดียวราคาโทสัมมหามก็แทรกนะอย่างนั่งสมาธิไปในะสว่างขึ้นมานะเห็นเทวดาใจออกไปเทียวข้างนอกเลยหรือไปเห็นผีเห็นสางอะไรนะใจกลัวขึ้น ให้กิเลสมันแทรกนะโลภะแทรกบ้างโทสะแทรกบ้างอย่างนั้นก็ฟุ้งซ่านใจออกข้างนอกไปสมาธิที่ไม่มีสติมีราคะโทสะโมหะแทรกเป็นมิจฉาสมาธิจะไปฝึกมันในเสียเวลาไม่เป็นไปเพื่อความเจริญอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นไปเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวออกไปรู้ไปเห็นในข้นอกจริงบ้างโกหกบ้างไม่มีสาระแก่นสารส่วนสมาธิที่ดีเนะี่ย เรยกว่าเป็นสมาธิที่ดีนะเนี่ยมีสองชนิดอีกชนิดที่หนึ่งนะจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้เอาไว้ทําสมถะไว้พักผ่อนทำให้จิตใจมีเรีย่ยวมีแรงเรียกว่าอารามณูปนิชานสมาธิอย่างที่สองนะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นธาตุเห็นขันเห็นกายเห็นใจทํางานจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้สังเกตการสมาธิอย่างนี้เรียกว่าลักขณูปนิชาน กาสมาธิที่ดียังมีสองชนิดอันหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งวิธีฝึกให้ได้สมาธิอย่างนี้นะสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี้เอาไว้พักพ่อสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูและเห็นสภาวะธรรมเท่าไหร่เกิดดับเอาไว้ทําวิปัสสนาเราได้ยินสมถะกองวิปัสสนามาสมถะก็ใช้สมาธิวิปัสสนาก็ใช้สมาธิ ก็ไม่มีสมาธิไม่มีวิปัสสนาแต่สมาธิของวิปัสสนาเนีเป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นไม่ค่ายรักขณูปนิชฌานเรื่องอารมนูปนิชานรักขณูปนิชานนะถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติมนาะเข้าใจยากเข้าใจยากแยกไม่ออกว่าสมาธิสองอย่างมันต่างกันยังไงในตำรามีแต่ว่าอ่านตำราแล้วก็แยกไม่ออกอยู่ดีอย่างในตำรามีนะมัน ตอนเด็กๆ เ, เจ้าชายสิทธาตาหัดนั่งสมาธินั่งเองได้ปฐมฌานฌานที่หนึ่งแล้วท่านก็ลืมไปเลยตอนอายุยี่สออกไปบวชสิ่งแรกที่ทำตอนบวชก็คือไปหาฤาษีก็คือเหมือนพวกเราหลยคิดถึงการปฏิบัติทำเมื่อไร่นะก็ต้องไปหาฤาษีนั่งสมาธิให้สงบนะท่านได้ฌานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วท่านก็พบว่าไม่ใช่ทาง ไม่ใช่ทางเราก็ทิ้งการนั่งสมาธิแบบสีไปแล้ก็ไปทรมานกายอยู่หลายปีเป็นวันหลังๆเนี้ยท่านนึกถึงสมาธิเดิมขูงท่านได้ท่านก็มาทําสมาธิเหมือนตอนเด็กๆก็ได้ถึงชั้นสี่ขึ้นปัญหาที่นักปริยัติเจอนะก็คือจะได้ชั้นหนึ่งหรือชั้นสี่ไอ้ชั้นแปดอะจะได้ชั้นแปมันก็ต้องผ่านชั้นหนึ่งถึงสี่ใช่ไมแล้วทำไมทำถึงชั้นแปดเราบอกไม่ใช่ทาง จริงสมาธิมีสองชนิดสมาธิที่เจ้าชายสิทธัตถะท่านได้ตอนเด็กๆคือลักขณูปนิชฌาสมาธิที่ไปเรียนจากฤาษีนี่อารามณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์สมาธิที่ท่านมาทําย่างบราารลุพระอรหันต์ก็คือลักขณูปนิชฌาของเก่าสองชนิดนี่ไม่เหมือนกันกแต่เข้าฌานแปดได้เหมือนกันนะเข้าฌานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้ทั้งสองข้างแล้ลักขณูปนิชฌานเนี่ยสูงกว่านั้นอีกใช้ทําพระสมบัตินะ ไปสัมผัสปานิพาน์นได้เวลาที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลจะต้องเป็นสมาธิชนิดลักขนมปานิชฉานด้วยสมาธิชนิดที่จิตสงบอยู่ในอารามณ์เดียวเนี่ยไว้พักผ่อนเคล็ดลับมันไม่ยากเลยถ้าเรารู้เคล็ดลับนะส่วนมากเราไม่รู้เคล็ดลับเราภานาแทบเป็นแทบตายจิตไม่เคยสงบเลยพวกเราใครเคยนั่งสมาธิแล้วไม่สงบเลยมีไหมก็ไม่รู้หลักอะไรจะทําให้จิตสงบ ความสุขในอภิธรรมสอนไว้นะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินี่พอเราอยากได้สมาธิเราก็ไปนั่งหายใจเฮือกเฮือกหรือไปเดินจงกรมแล้วเครียดมากเลยเครียดไม่มีความสุขได้ไงทําไงก็ไม่เกิดสมาธิกี่ปีก็ไม่มีสมาธิขึ้นมาสัทีถ้าเราอยากทําสมาธิให้จิตสงบเนี่ยต้องดูตัวเองว่าจิตของเราเนี่ยอ ย, อ, อยู่กับอารมณ์อันไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้น คนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุโทโธบางคนสวดมนต์อย่างเมื่อกี้เราสวดมนต์บางคนสวดไปเบื่อไปเมื่อไหร่จะจบอย่างเนี้ยจิตไม่มีสมาธิถ้าคนไหนสวดมนต์แล้วมีความสุขจิตจะเกิดสมาธิความสุขทําให้เกิดสมาธินะมีอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อจิตก็งสงบบางทีพวกเราชอบกลับบัวกลับหางชอบคิดตัวเองว่าสมาธิทําให้เกิดความสุขที่จริงความสุขต่ะงหากทำให้เกิดสมาธิ ถ้าเรามีความสุขในการอ่านหนังสือเรื่องนี้นะจะมีสมาธิในการอ่านมีความสุขในการดูมวยกนะ็จะมีสมาธิในการดูสมาธินะพอสงบลึกเข้าไปจริงๆไม่ได้มีความสุขเป็นเป็นอุเบกขาสมาธิชั้นสูงขึ้นไปกลายเป็นอุเบกขาไม่ได้มุ่งมาที่สุขนั่นเราต้องรู้จักเลือกนะเราพุทโทแล้วมีความสุขเราก็พุโทโธดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไป จิตจะเคลื่อนไปจิตจะเคลื่อนไปกับอยู่ที่ความคิดพระพุทธโอหรือเรารู้ลมหายใจจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ตัวลมหายใจสงบอยู่ที่ลมหายใจไม่หนีไปที่อื่นหายใจเรามีความสุขก็อยู่กับลมดูท้องพองยุบแล้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องอนี้สมถะนะดอท้องพองยุบแล้จิตไปอยู่ที่ท้องเนี่ยเป็นสมถะแน่นอนเลยเพราะจิตอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นอารมาโนปนิชานเพ่ง e อยู่ในอารมณ์เดียวบางคนบอก หายใจเข้าหายใจออกเป็นสมถะดูท้องพองยุบเป็นวิปัสนาไม่เป็นหรอกจะขึ้นวิปัสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ดูท้องพองยุบไม่เห็นอะไรเห็นท้องไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสนาเราต้องแม่นนะถ้าเราไม่แม่นเราเราูปบๆคลรมการปฏิบัตินะัน้นเหน็ดเหนื่อยมากเลยทรมานมากเลยแล้วกี่ปีกี่ชาติมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเท่าไหร่ได้ทรมานเท่านั้นนะั้งั้นถ้าเราอยากให้ใจสงบนะรู้จักเลือกดูตัวเราเอง พุโทโธแล้มีความสุขเราก็พุโทโธไปเรื่อยๆใจมีความสุขใจก็ไม่หนีไปหาอารมณ์มันอื่นใจ ก, ก็สงบหลักอันนี้เท่านั้นเองหายใจแล้วมีความสุข ก, ก็รู้ลมหายใจไปจิตกไม่หนีไปที่อื่นจิตอยู่กับลมหายใจจีก็สงบเนี่ยคือหลักของการทําสมถะดังนั้นแต่ละคนห้ามเรียนแบบกันต้องไปสังเกตตัวเองว่าจะให้จิตเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์มนั้นไป ก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นมามีความสุขไม่วอกแวกเอาไว้ทำอะไรสมาธิชนิดนี้เอาไว้พักผ่อนสมาธิชนิดนี้เอาไว้ทำให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงเวลาเราเดินวิปัสสนารวดไปนะใจจะหมดแรงนะเหนื่อยใจจะฟุ้งซ่านเหนื่อยนะก็กลับมาทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นให้จิตสงบขึ้นมาให้จิตได้พักผ่อนแต่สมาธิพักผ่อนนั้นก็คือเอาไว้พักผ่อน ไม่ใช่ทางที่จะบรรลุมรรคผลหรอกเป็นการพักผ่อนเหมือนอย่างเราพักผ่อนมากๆนะไม่เคยไปทำมาหากินเลยก็ไม่รวยสักทีทำสมาธิชนิดพักผ่อนไม่เคยเจริญวิปัสสนาก็ไม่เกิดปัญญาสักทีก็ราเรื่องกันเลยหรือทำงานอย่างเดียวไม่เคยพักผ่อนเลยไม่นานก็ตายเจริญปัญญารวดเลยไม่เคยได้พักผ่อนเลยก็อยู่ไม่ไหวเแห้งแหลงนั้นเราถึงเวลาเราก็ต้อง ไหว้พระสวดมนต์นะอย่างน้อยไว้พราสวดมนต์ก็ได้สมาธิแล้สมาธิชนิดที่จิตอยู่ในรมันเดียวคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยควรจะแบ่งเวลานะในแต่ละวันนะแบ่งเวลาไว้สิบห้านาทีไหว้พระสวดมนต์ทาสมาธิให้ใจอยูนะ่ใจอยู่ในโรมันเดียวสบายส่วนสมาธิชนิดที่สองเนี่ยเป็นสมาธิที่สำคัญที่สุดนะเป็นสมาธิที่ใช้เจริญวิปัสสนา เป็นสมาธที่ดีที่สุดสําคัญที่สุดเป็นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสมาธิอย่างแรกมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเองส่วนสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสรู้แล้วเอามาสอนถ้าไม่มีสมาธิชนิดนี้ทํำมิปัสสนาไม่ได้สมาธินี้สําคัญมากนะแต่ว่าไม่มีใครสนใจเมื่อก่อนหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์วัดป๋า หลวงปู่ดูลงหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมหลวงพ่อพุธหหลวงตามหาบัวเคยไปเรียนกับท่านท่านจะสอนแต่คำว่าจิตผู้รู้คําว่าจิตผู้รู้ก็จิตมีสมาธิที่ตั้งมั่นนึ่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลังๆนี้ก็เริ่มหายไปไม่มีใครพูดถึงจิตผู้รู้นั่งสมาธิก็พูดแต่นิมิตนิมิตมันเป็นสมาธิอย่างแรกเลยอย่างออกนอกก็ไม่ได้เรื่องเลยไม่สงบด้วยเห็นนิมิตไม่สงบด้วยซ้ำไป สมาธิที่จิตตั้งมั่นเลยอาภัพที่สุดเลยพวกที่ชอบนั่งสมาธิก็มาไม่ถึงตรงนี้ส่นใหญ่มุ่งไปทําจิตให้สงบไม่ได้ฝึกให้จิตตั้งมั่นอีกพวกหนึ่งไม่เอาสมาธิเลยเอะก็จะเจริญปัญญาเลยเป็นดูท้องคลองยุคเลยนะบอกว่าทําวิปัสสนาไม่เป็นหรอกเพราะจิตไม่ได้ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นขันมันไม่แยกขันไม่แยกเนาะเห็นขันแต่ละขันแสดงไตรลักไม่ได้ทําวิปัสสนาไม่ได้จริง การที่จะมาฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะเป็นตัวชี้ขาดเลยว่าชาตินี้เราจะได้มากผลหรือเปล่างั้นตัวเนี้ตัวสําคัญมากหลวงพ่อสอนโลกศีโลหานะสอนมุ่งมาให้มีจิตที่ตั้งมั่นนี้ก่อนเลยเมื่อสักยี่สิบกว่าปีสาสิบปีก่อนสอนเพื่อนไว้กลุ่มหนึ่งตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่บวชสอนเพื่อนไว้จิตมันตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปไหนนั่งรถตู้ไปด้วยกันไปหาครูบาอาจารย์ เข้าไปฟังองค์จิตท่านไห่ไแล้ท่านหาันกลับเลยหันกลับมาอุทานมันมารวมกันได้ตั้งสิบคนมาได้ยังไงเยอะสิบคนก็เยอะแล้วนะวจิตตั้งมั่ น, นเดี๋ยวนี้เทศเรื่อยๆไปคนที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บริบาลนับจานวนไม่ทั่วแล้วยอะแยกไปหมดวิธีที่จฝึกให้จิตตั้งมั่นนะให้ใช้วิธีรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่น อยกได้ไหมอันแรกสมาธิที่เดียนแรกนะสงบในอรมณ์มันเดียวจุดสำคัญอยู่ที่เลือกอารมณ์ที่มีความสุขแล้วน้อมจิตไปอยู่กับนั้นจิตมีความสุขแล้วจิตจะไม่หนีไปเที่ยวจิตสงบแต่ถ้าเราจะฝึกให้จิตตั้งมัน่นนะเราใช้วิธีรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมัน่นเราใช้อารมณ์มันเดิมแนหะอย่างเดิมเราเคยหายใจออกหายใจเข้าจิตไปสงบอยู่ที่ลมหายใจเรามุ่งเอาอะไรเป็นหลักมุ่งลมหายใจเป็นตัวหลัก หรือเราดูท้องของยุบจิตไปอยู่ที่ท้องเรามุ่งเอาท้องเป็นหลักจิตสงบในวลมเดียวแต่ถ้าเราอยากให้จิตตั้งมั่นนะเอาจิตเป็นหลักเราดูรู้ลมหายใจนะเราก็รู้ทันจิตหายใจออกจิตรู้ทันจิตหายใจเข้ารู้ทันจิตให้จิตนี้ไปคิดเรารู้ะหายใจไปหายใจไปจิตนี้ไปคิดเรารู้ไม่ใช่มุ่งมาที่รู้ลมหายใจไปมุ่งรู้ทันจิต ตนี้ท่านถึงเรียกว่าจิตตะศิขาบทเรียนที่สองเนี่ยของพระพุทธเจ้าอันแรกศีละศิขาที่สองจิตตะศิขาต้องมารู้ทันจิตนะหายใจไปเรารู้ทันจิตไปไม่ชอบลมหายใจก็ดูท้องผ่องยุบแต่อย่าให้จิตไปอยู่ที่ท้องนะหายใจดูท้องผ่องยุบไปจิตหนีไปคิดเรารู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องเรารู้รู้ทันจิตไป ถ้าหากเราทํากรรมฐานอย่างหนึ <proposition> ่งนะแล้วเราคอยรู้ทันจิตบางที่จิตก็หนีไปคิดบางทีจิตก็หนีไปจับนิ่งๆอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปคิดเรารู้ทันเคลื่อนไปจับอารมณ์นิ่งๆอยู่เรารู้ทันในเดินจงกรมบางคนเดินจงกรมนะไปดูยกเท้าย่างเท้าเห็นเท้าจิตอยู่กับเท้าจิตสงบอยู่กับเท้าเป็นสมถะถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปอยู่ที่เท้า จิตมันจะเลิกไหลมันจะตั้งพั่นขึ้นอัตโนมัติจิต ท, ที่ไหลไปเนี่ยไหลไปด้วยอํานาจของโมหะโมหะชนิดที่เรียกว่าอุทธัจจะความฟุง้งซ่านมันฟุ้งไปหาอารมณ์ฟุ้งไปคิดบ้างฟุ้งไปเพ่งอารมณ์บ้างนะไหลออกไปจิตเคลื่อนออกไปหลวงปู่ดูลเร้ว่าจิตส่งออกนอกให้เรารู้ทันจิต ท, ที่ส่งออกนอกให้รู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปจิต ท, ที่ฟุ้งไปนั่นแหละนั้นทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิต หายใจไปก็ได้พุทโธก็ได้พุโทโธพุโทโธไปจิตนี้ไปคิดเรากรู้จิตไปเพ่งอะไรนิ่งๆว่างๆอยู่ก็รู้รู้ลมหายใจไปจิตนี้ไปคิดเรากรู้จิตไปเพ่งลมหายใจแล้วก็รู้หรือชอบดูท้องผ่องยุบนั้นดูไปแต่ดูท้องพองยุบนนจิตนี้ไปคิดเรากรู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องแล้วก็รู้จุดสําคัญรู้ที่จิตไม่ใช่รู้ที่ตัวอารมณ์นะรู้ที่จิตแต่ว่าไม่บังคับไม่ห้ามเคลื่อนให้เคลื่อนไปตามธรรมชาติแต่เคลื่อนเรารู้ เมื่อไรจิตเคลื่อนไปเราไม่รู้นี่เรียกว่าขาดสติเมื่อไรจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมามีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาแต่ว่าถ้าบางคนพอจิตตั้งมั่นบ่อยๆจำได้ว่าตั้งมั่นเป็นอย่างนี้ก็จงใจทำความตั้งมั่นขึ้นมาจิตจะแข็งแข็งแลจิตจะแน่นแน่นเมื่อไรจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตดื้อจิตเป็นอกุศลเด็ขาดเลยเพราะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะเบา นุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวฟวนเกับการงานงั้นอย่างเราพยายามรู้สึกตัวแล้วทำใจทื่อแข็งแวงนะเนี่ยทําให้ดูเนี่ย <Yeah. S 1> ทำอะไรรู้หมดเลยนะแต่รู้ทื่อๆเนี่ยจิตไม่ถูกนะไม่ใช่สมาธิที่ถูกเปนสมาธิที่แกล้งทําขึ้นมาบังคับจิตไม่ให้กระดุกกระดิกงั้นกว่าคนคนหนึ่งนะจิตจะตื่นขึ้นมาได้จริงๆเนะี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย ควายากที่สุดเลยอยู่ตรงนี้เองดูเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะไปค้นคว้าหาวิธีอะไรมาตั้งมากมายตอนหลังที่เข้าสู่ทางสายกลางจิตท่านถูกนะครับเอจิตท่านถูกแล้วไม่นานท่านก็เห็นอริยสัจท่า น, นเข้าใจธรรมะขึ้นมารู้แจ้งแทงตลอดขึ้นมางั้นถ้าจิตถูกแล้วนะไม่ใช่เรื่องยากแล้วลนะ่ะที่จะเห็นธรรมแต่มันยากที่จิตจะถูกจิตจะตั้งมันได้ถูกต้องสิ่งที่ผิดมีสองอันเท่านั้นเอง อันหนึ่งก็คือจิตมันหลงไปมันฟุ้งซ่านไปมันฟุ้งไปลืมตัวเองรู้จักใจลอยไหมเวลาใจลอยเรามีร่างกายเราก็ลืมใช่ไมอย่างเวลาเราใจลอยยุ่งกัดนะไม่รู้เลยใช่ไหมมีร่างกายเราก็ลืมจิตใจเราสุขจิตใจเราทุกจิตดีจิตชั่วไม่รู้เลยเพราะใจลอยเนี่ยใจลอยเนี่ยจิตสุดโต่งไปข้างตามกิเลสไปใช้ไม่ได้ ไม่รู้เนื้อรู้ตัวความสุดตัวอีกด้านหนึ่งก็คือการบังคับตัวเองให้รู้สึกตัวบังคับกายบังคับใจที่จะพยายามรู้สึกตัวตลอดเวลาจะทําอะไรก็คอยจ้องอยู่ในร่างกายเนี่ยสมมติจะหยิบแก้วน้นะําเนี่ยจ้อง ก, อ ก, ก่กอนทุกขี้ยกกระยุกกระยิกรอจะหยิบนะกว่าจะได้กินน้ําเนี่ยไตวายไปก่อนบางคนเพ่งเนี่ยมันอึดอัดถ้าเมื่อไรบังคับกายเมื่อไร่บังคับใจนะ เมื่อนั้นสุดต่งไปข้างทรมานตัวเองถ้าเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจเมื่อนั้นสุดโตงไปข้างตามใจกิเลสเมื่อลืมกายลืมใจเป็นกามสุขาริการโยคบังคับกายบังคับใจเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยกต้องไม่เอาสองอันนี้จิตตึงจะเข้าสู่ทางสายกลางวิธีที่จะเข้าสู่ทางสายกลางคอรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตเคลื่อนไปคิดมันไหลไปอันนี้ตามกิเลสไปหรือจิตเคลื่อนไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียว อันนี้พยายามบังคับตัวเองกลัวหลงแล้วเพ่งเอาไว้นั่นก็คือการรู้ทันความสุดโต่งสองด้านนั่นเองหลงไปคิดรู้ทันหลงไปเพ่งรู้ทันถ้ารู้ทันจิตที่ไหลไปหลงไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติตั้งเป็นขณะขณะนะตั้งเป็นขณะขณะเดี๋ยวก็ไหลอีกตั้งอีกรู้ทันก็ตั้งขึ้นมาไหลอีกรู้ทันแล้วก็ตั้งขึ้นมาอย่าไปบังคับมันรู้อย่างนั้นเรื่อยจนกระทังมันตั้งเป็นธรรมชาติขึ้นมา จิตจะมีลักษณะเบาะจิตจะเบาถ้าเราภาวนาแล้วจิตหนักๆเนี่ยรู้ทันทีเลยนะว่าผิดแล้วจิตที่หนักเป็นจิตอกุศล น, นะจิตที่ถูกต้องเนี่ยเบาอ่อนโยนนุ่มนวลถ้าแข็งทื่อก็ไม่ใช่ละวคล่องแคล่ว ว, ว่องไวถ้าเบาแนละ้วก็ว่างๆอยู่น่นะเออๆอยู่ทั้งพันเออๆอย่านี้นะนี่ไม่ใช่เลยนะจิตไม่มีความว่องไวไม่มีความปรัดเปลียวเลย การเรียนเรื่องจิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เราต้องค่อยๆสังเกตจิตใจของเราเบื้อต้นทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งนะแล้วค่อยสังเกตจิตไปเรื่อยจิตลงไปรู้ทันจิตไปบังคับไม่เคร่งเครียดรูทันรู้บ่อยๆก็ไม่ได้เข้าทางสายกลางใจเข้าสู่ทางสายกลางจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่พอเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอย่ารู้อยู่เฉยๆต้องมักเข้าสู่บทเรียนที่สามของ พ, พระเจ้า คือการเจริญปัญญาเนี่ยปัญญาศิกขาเรียนเรื่องการเจริญปัญญาเจริญปัญญาเนี่ยก็คือการที่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ความไม่ น, นิจจังทุกขงังอนตัตตาความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามของกายของใจังั้นถ้าเราไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจไม่ใช่วิปัสสนานะอย่างเราเห็นท้องพองเราเห็นท้องยุบเราเห็นอะไรเห็นท้องไม่ใช่วิปัสสนานะเราเห็นเท้ายกเท้าย่างเท้าไม่ใช่วิปัสสนานะ เห็นท้าคือเห็นอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์อันเดียวคือสมถะนั้นแล้วก็เกิดอาการของสมถะนะเช่นตัวเบาตัวโครงอะไรขึ้นมาเราบอกเป็นวิปัสนาญาณไม่ใช่หรอกนั้นเป็นอาการของปิติในเรื่องของสมถะทั้งหมดเลยจะเป็นวิปัสนาต้องเห็นไตรลักษณ์จำหลักอันนี้ไว้ให้แม่นเลยนะต้องเห็นนะไม่ใช่คิดด้วยนะต้องเห็นปัสนะแปลว่าการเห็นวิปัสนาเห็นแจ้ง เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเห็นอะไรความจริงของกายคือไตรลับความจริงของใจคือตรลับอย่างบางคนเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะเป็นไม่ศาสนาไหมเห็นไหมไม่เป็นปฏิกูลอสุภะไม่ใช่ใจลับถ้าเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะเป็นสมถะกรรมฐานจิตจะสงบข่มราคาได้กะนิ่งอยู่ในลมันเดียวไม่ถูกราคาครอบงา งั้นการจะเห็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยขั้นแรกเลยจิตต้องมีคุณภาพจิตต้องเป็นผู้เห็นเสียก่อนเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้เห็นงั้นก่อนที่จะก้าวไปสู่การเจริญวิปัสสนาเราต้องมาฝึกจิตให้มีคุณภาพก่อนถ้าจิตมีคุณภาพแล้วนะเราก็มาเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจแล้วก็เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีควรจะได้อะไรบ้างเจ้าชายสิทธัต ถ, ถะช่วงท้ายๆก่อนจะตรัสรู้เนี่ยจิตท่านถูกต้องจิตท่านตั้งมั่น บอกจิตเบานะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานแล้วท่านก็โน้มน้อมจิตอันนี้ไปเพื่ อ, อยานทัศนะยานทัศนะทัศนะเพื่อเห็นนะเห็นด้วยปัญญายานทัศนะเห็นอะไรเห็นกายนี้แสดงไตร ล, ลักษณ์นะเห็นใจแสดงไตร ล, ลักษณ์เห็นไตร ล, ลักษณ์ของกายของใจ น, นั่นเองงนั้นท่านน้มน้อมจิตไปเพื่อจะเห็นไตร ล, ลักษณ์ของกายของใจ ท่านเห็นตัวนี้ได้นะในเวลาไม่นานท่านก็บรรลุพระอรหันต์งั้นถ้าเราเราเคยได้ยินไหมเรื่สติปัฏฐานในสติปัฏฐานชาบพูดนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีบางคนทํามาตั้งเจ็ดชาติยังไม่ได้เลยเพราะอะไรจิตมันไม่ถูกจิตไม่มีคุณภาพไปเพ่งหออไปดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจดูอิริยาบถก็เพ่งอิริยาบถดูเวทนาความสุขทุกข์ก็เพ่งเวทนาดูจิตตสังขารก็เพ่งไว้เฉยๆให้ความรู้สึกมันหายไปให้มันนิ่ง นันไม่มีทางหรอกที่จะบรรลุแต่ถ้าจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นได้นะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเรื่อยๆไปในเวลาไม่นานนะควรจะได้ธรรมะเจ็ดวันเจดเดือนเจ็ดปีควรจะได้แนละ้วนะยกเว้นพวกที่เลวมากๆกับพวกที่ดีมากๆพวกเลวมากๆอย่างพวกฆ่าพ่อฆ่าแม่มาแล้วเนี่ยภาวนานี่ยเห็นยังไงมันก็ไม่ขาดนะกลับมันหนักนะหรืออย่างพวกดีมากๆ ภาวนาไปเห็นใจรักเห็นอะไรนะจิตไม่ยอมตัดเพราะหวังพุทธภูมิหนึ่งอยากจะได้ของดีของวิเศษนี่ดีเกินดีเกินเขาไม่ตัดนะเร็วเกินเขาไม่ตัดพอดีพอดีดีดบ้างเร็วบ้างอย่างพวกเราเนี้ยเข้าท่านะ <c oughs> ไ, มไม่เร็วสุดขีดไม่ดีสุดขีดนะ <c oughs> คนธรรมดาธรรมดานี่แหละง่ายที่สุดหล่ ะ, ะ <c oughs> ทำไงเราจะเห็นใจรักของกายของใจ ทำไมจะเห็นใจรักของกายของใจได้ก็มาฝึกใจให้เป็นคนดูเมื่อใจเป็นคนดูแล้วนะดูกายลงปัจจุบันดูกายลงปัจจุบันค่อยๆดูไปอย่างถ้าคนไหนถนัดดูกายก็ดูกายคนไหนถนัดดูจิตก็ดูจิตถ้าดูกายเนี่ยใช้คำว่าปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้เลยดูเดี๋ยวนี้เลยถ้าดูจิตจะเป็นปัจจุบันสันติสืบเนื่องกับปัจจุบันจะไม่เหมือนกันวิธีดูกายกับวิธีดูจิตจะต่างกันนะ ดูกายเนี่ยดูกายที่กําลังปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้เลยทําไมดมูมได้ถ้าจิตมีจิตเนี่ยธรรมชาติของจิตนะรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวงนั้นเวลาจิตมันไปรู้กายมันรู้ได้รู้อยู่ท <expectations> ี่กายมันรู้ได้แต่จิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้อย่างเดียวสมมติเราไปเห็นคนขับรถปาดหน้าเราขณะที่เราเห็นคนขับรถปาดหน้านะจิตเราเอารูปของคนขับรถปาดหน้าเอารูปนั้นเป็นอารมณ์ในขณะนั้นเกิดโทสะขึ้นมา จะมาเห็นโทสะนี่ไม่ได้เพราะว่าจิตเนี้ยใช้รูปนั้นเป็นอารมณ์อยู่ต้องมีจิตอีกดวงหนึ่งนะเกิดที่หลังมาใช้จิตดวงก่อนที่มีโทสะนะเป็นอารมณ์เนี่ย <Yeah. S 1> จิตมันจะต้องตามหลังกันอย่างนี้เนี่ยเป็นเป็นกฎของธรรมะเลยดูกายเนี่เป็นปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้เลยสดสดร้อนๆเดี๋ยวนี้เลยนี่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยรู้สึกได้เลยแต่ถ้าดูจิตนะให้จิตมันทำงานไปก่อนแล้วค่อยรู้ง นั่นอย่างดูกายในสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าสอนไวนะ้ดีนะดูคราพิสูทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่รู้ชัดรู้กายยืนอยู่ตอนเนี้ยกําลังยืนอยู่รู้ชัดว่ามันยืนอยู่อะไรยืนกายมันยืนไม่ใช่เรายืนนะจิตถ้าตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยมันจะถอนความรู้สึกเป็นเราออกถ้าจิตไม่ตั้งมั่นมันจะมีความรู้สึกเป็นเราเพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูปุ๊บมันจะไม่ใช่ตัวเราละ เวลามันไปรู้กายมันจะเห็นกายไม่ใช่เรามันจะเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกไม่ใช่เราหายใจเข้าจะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยมันจะรู้สึกอย่างนั้นเลยว่าไม่มีเราเลยในกายนี้ะงั้นถ้าจะดูกายถนัดดูกายแล้วเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นแค่คนดูกายกับใจแยกออกจากกันจะรู้สึกเลยว่าคนละอัน ร่างกายกับจิตใจนี่คนละอันกันหลวงพ่อจะผ่าดูนะดู ก, กายเนี่ยเรื่องง่ายมากเลยดูง่ายทุกคนยิ้มยิ้มซิเราเห็นตัวเองกําลังยิม้มเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ใช่ต้องมาส่องกระจกดูลองแกล้งทําหน้าบึง้งซิสมมติดได้ยินข่าวเขาจะมาปิดตรงนี้แล้วะมันเอาระเบิดมาปาเอาแทนที่จะหน้าบึง้งหัวเราะซะเลย <c oughs> <c oughs> นี่เห็นไหมตัวเองกำลังหัวเราะเห็นไหม ตัวอะไรหัวล้อร่างกายหัวล้อเห็นไหมยนี่รู้สึกอย่างเงี้ยเมื่อกี้ไปยักหน้ารู้สึกไหมบางคนไปยักหน้าเห็นไหมตัวนี้ไปยักหน้าไอ้ตัวนี้มันเคลื่อนไหวร่างกายมันเคลื่อนไหวนะมันเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้ากายกับใจเนี่ยคนละอันกันเนื้อหาทาอย่างนี้ไปเรื่อยนะฝึกไปเรื่อยต่อไปจะเห็นกายกับใจเป็นคนละอันกันถ้าก า, ายกับใจเป็นคนละอันนะกระทั่งเราไม่ได้มรรคผลนิพพานอะไรในชีวิตนี้ก็ได้ประโยชน์เยอะแล้วเวลาแก่ใครแก่ ร่างกายแก่นะไม่ใช่เราแก่ใครเจ็บมาร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะใครตายร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายถ้ามันไม่ใช่เราสัอย่างเดียวนะจะแก่จะเจ็บจะตายนะจิตจะไม่หวั่นไหวเลยะไม่กลัวไม่หวั่นไหวแต่ถ้ามันเป็นเราเม Recently, ื่อไหร่ก็หวั่นไหวเมื่อนั้นใครแก่เราแก่ดูสิตีนกาขึ้นนะตีนกาขึ้นอันแรกเนี่ยเจ็บปวดมากเหมือนผมหงอกเส้นแรกผมหงอกเส้นแรกในชีวิตเจ็บปวดมาก เส้นที่ห้าร้อยชักฉินตีนกาอันที่สิบชักเฉยเนี่ยเราค่อยดูไปน่าจะเห็นว่ากายกระใจมันคนละอั น, นเสร็จแล้วมันจะเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราหน้ากายไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าหายใจออกธาตุมันไหลเข้าอะไรออกดูไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งมันก็ไม่ยึดถือกาย ถ้าภาวนาจนภูมมธรรมถึงจุดที่มันไม่ยืดไกลด้วยปัญญาอยากยิ้มภูมิธรรมของพระอนาคามนะไม่กระจอกทางทางที่ง่ายง่ายแค่นี้เอายิ้มใหม่เห็นร่างกายยิ้มดูไปยิ้มหวานๆวานยิ้มหวานเลยเหมือนถูกรอตตรี่รามวันที่หนึ่งยเอาทำหน้าพึื่งเห็นไหมกรมมฐานนะเนี่ยนี่คืออะไรหัดรู้หัดรู้นะ ขยักหน้าสิยกมือเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวบางคนขยับยุ่ยยักยิางใจลอยไปเลยนะไม่ได้เรื่องหรอกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไม่จะเห็นในตัวที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เราหรอกนะตัวที่กําลังเคลื่อนไหวไม่ใช่เราท่านบอกว่ายืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่มันไม่ใช่เรานะเวลาดูจิต ด, ดูใจจะต่างกับดูกาย ดูจิตดูใจให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้ <ijo land uar> ใช้หลักนี้ว่าดูกราภิกสูทั้งหลายจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะไจิตมีราคะก่อนล้วก็รู้ว่ามันมีราคะไม่เหมือนกันใช่ท่านไม่ได้บอกดูกราภิกสูทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ชัดว่ามีราคะไม่ได้พูดอย่างนั้นนะไม่เหมือนกันดูกราภิกสูทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะเหมือนโกรธขึ้นมาแล้วรู้ว่าโกรธห้ามไปดูก่อน การดูจิตเนี่ยมีกฎอยู่สามข้อข้อที่1ก่อนดูนะอย่าไปดักดูอย่าไปรอดูอย่าไปจ้องถ้าเราจะดูจิตแล้วเราไปอ่อไหนเมื่อไหร่จะโกรธไปจ้องอยู่นะมันไม่โกรธมันเฉยๆงั้นการดูจิตเนี่ยห้ามไปดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอานะข้อสองระหว่างดูนะดูแบบคนมองนอกดูห่างๆอย่าให้ใจมันไหลเข้าไปรวมเข้ากับอารมณ์นะ ดูแบบคนมองนอกเมื่อเราอยู่บนตึกเนี่ยเห็นรถวิ่งอยู่ที่ถนนดูแบบคนมองนอกอย่าอย่าดูจนตกตึกลงไปอยู่บนถนนถ้านะดูจนชะโงกจนตกตึกลงไปเนี่ยจิตมันไหลเข้าไปรวมเข้ากับอารมณ์ถนะ้าดูแบบคนมองนอกไม่เกี่ยวข้อสามข้อสามดูแล้วนะไม่แทรกแซงเช่นเราเห็นแล้วจิตมันโกรธไม่ต้องหาทางให้หายดูแล้วจิตเป็นกุศลไม่ต้องหาทางรักษา รู้อย่างเป็นกลา ง, างจริงๆเลยเพราะเราปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มุ่งออกดีไม่ได้มุ่งออกสุขไม่ได้มุ่งออกสงบนะเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งทั้งหลายบังคับไม่ได้อย่างถ้าเราไม่ได้บังคับใช่ไหมตาเรามองเห็นใจเราก็าเปลี่ยนเช่นเราเห็นคนขับรถปาดหน้าใจเราเปลี่ยนทีแรกเฉยๆเท่านี้โทสะเกิดความโกรธเกิดขึ้นมาความโกรธเกิดแล้วทําไงรู้ว่าโกรธไม่ใช่ไปเจตนาขับรถนะ รอดูเดี๋ยวใครจะปาดแล้วเราจะค่อยดูใจเมื่อไหรจะปาดสัดทีเดจะดูนะไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฉยๆยเพราะฉะถ้าดักดูเราเฉยนะห้ามดักดูดูใจเนะี่ยให้ความรู้สึกเกิดไปก่อนแล้วค่อยรู้เอานะจะไม่เหมือนดูกายนะั้นดูใจนะให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้ถ้าไม่รู้รู้ผิดวิธีนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่เห็นใตรลักหรอกไปนั่งฟั่งจิตไว้ทั้งวันจะไปเห็นอะไรเห็นแต่ความว่าง งั้นพวกที่ดูจิตดูจิตเนี่ยจุดที่พลาดกันมากต้องระวังนะดูจิตดูจิตกลายเป็นเพ่งจิตไปจ้องจิตจอกระทั่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเฉยๆฉยว่างๆสบายๆถ้าอย่างนั้นผิดแน่นอ น, นไม่เกิดปัญญาหรอกดูกายดูหลกปัจจุบันขณะรู้อยู่นี้ดูจิตตามรู้มันไปเรื่อยๆจิตโลภขึ้นมาโอโลภแล้วโกรธขึ้นมาโกรธแล้วแต่แล้วนี่ต้องเร็วๆนะเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ใช้ไม่ได้นะ นานเกินนะไม่เป็นปัจจุบันสันตติคือไม่สืมเนื่องกับปัจจุบันแล้วมันห่างไปตั้งเยอะแยะแล้วนะยังรู้สดๆร้อนๆยังเห็นความโกรธยังมีหางไหวๆอยู่นิดนึงยังเห็นอยู่เนะี่ยะกลับวับไปเห็นเพื่ออะไรนะเห็นกายก็เพื่อให้เห็นความจริงของกายร่างกายไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุก้อนธาตุดูจิตเพื่ออะไรดูจิตเพเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ มีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การถูกบีบคั้นเสียดแทงนะด้วยความอยากนานาชนิดมีแต่การบังคับไม่ได้จิตเป็นของบังคับไม่ได้นะอย่างตั้งใจจะไม่กโกรธก็โกรธใช่ไหมเคยไหมตั้งใจว่าจะไม่โกรธแล้วก็โกรธตั้งใจจะไม่โลภมันก็โลภนะอย่างจะไปเดินเล่นศูนย์การค้าการจะไปเดินเอาแอร์เฉยๆจะไปดูไ น, น, น่นนี่ดูเล่นๆไม่ซื้อไม่ซื้อวันนี้นะแค่เดียวหลังเดียงเลยนะแบกมากเลยะ เนี่ยตั้งใจจะไม่รักก็รักอีกไงอย่างสาวๆบางคนถูกก็หลอกตัดญาตขาดมีดแล้วไอ้หนุ่มคนนี้ไม่เอาแล้วไม่รักมันอีกต่อไปแล้วมันมาอ้อนแป๊บเดียวรักมันอีกลล้วเนะี่ยใจนะั้นมันสั่งไม่ได้ดูไปเพื่อให้เห็นของจริงนะเมื่อไรเราเห็นของจริงในกายเห็นของจริงในใจนะความยึดถือมันจะหมดมันจะยึดไม่ลงหรอกมันไม่ใช่ของดีนะ่ากายเป็นก้อนทุกข์ยึดมันทําไม จิตใจมีแต่ของแปรปรวนมีแต่ของบังคับไม่ได้จะยึดมันทาไมใจจะหมดความยึดเป็ น, ปนลำดับลาดับนะเราะงั้นก่อนที่ใจจะหมดความยึดได้ก็ต้องหัดวิปัสสนาก่อนจะทำวิปัสสนาได้ต้องมาฝึกจิตให้มีคุณภาพเป็นคนดูเป็นผู้ดูแล้วพื้นฐานเลยต้องถือศีลห้าต้องถือนะถ้าศีลห้าเสียเนี่ยจิตจะฟุง้งอย่างเราไปชุมนุมบางคนชอบไปชุมนุม ชมมุมนมแล้วไปด่าเขาขณะที่ด่าจิตเป็นกุศลเลยอกุศ ล, ศ ล, ศลมีสมาธิไหมมีแต่เป็นสมาธิมิจฉาสมาธิด่าด้วยความตั้งอกตั้งใจไม่ลืมการด่าหรือด่าตลอดเลยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสมาธิต้องระวังนะสมาธิกับสติกับปัญญานี่แตกต่างกันสมาธิเกิดร่วมกับจิตที่เป็นอกุศลได้ สติปัญญาเนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นง น, นสมาธิเนี่ยต้องระวังมันมีสมาธิที่ใช้ไม่ได้อยู่จะไปยิงเขาเนี่ยต้องมีสมาธิเหมไมัน้นยิงไม่ถูกทาชั่วก็ต้องมีสมาธิสมาธิเกิดกักจิตที่เป็นอกุศลได้ด้วยสมาธิเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิต ท, ทุกนะทุกดวงทุกทุกดวงจิต ท, ที่เป็นกุศลก็มีสมาธิ จิตที่เป็นอกุศลก็มีสมาธิจิตที่เป็นกลางๆงก็มีสมาธิแต่ถ้าเป็นจิตที่มีสติจะต้องเป็นกุศลแล้วก็สติจิตที่มีสติที่เป็นกุศลบางดวงที่มีปัญญาเป็นจิตที่เป็นกุศลเนี่ยบางดวงมีสติเฉยๆไม่มีปัญญาบางดวงมีปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์ด้วยเราค่อยๆฝึกถือสี่ห้าไปก่อนแล้วก็มาฝึกใจให้อยู่กับตัวเองด้วยการรู้ทันใจที่ไหลไปห้ามบังคับไว้ มันขับไปสุดโต่ไปอีกข้างรู้ทันใจที่ไหลต้องฝึกนะทุกวันทุกวันต้องซ้อมแล้วก็มาฝึกปฏิบัติจริงๆตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นจิตใจเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูสุดท้ายก็จะเห็นกายเห็นใจสแสดงใจลักษณ์จนะเห็นอย่างถ่องแท้เบื้องตน้นก็จะรู้ว่าไม่มีตัวเราเบื้องปลายก็จะรู้ว่าสิ่งที่มีคือตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไป งันวันหนึ่งถ้าเราทําอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่นะเดินไปตามร่องรอยที่ผู้เจ้าให้ไว้วันหนึ่งเราจะพ้นทุกข์อะไรทรี่ว่าทุกข์ก็คือขันห้ากายใจนี่แหละตัวทุกข์คำว่าพ้นทุกข์ก็คือจิตมันพ้นความยึดถือในกายใน ใ, นใจนี้แล้วอยู่ไปเป็นพระละหันดํำรงชีวิตไปจนวันหนึ่งร่างกายแตกดับเรียดับทุกข์ตอนแรกกิเลสมันตายไปจิตก็ไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวในกายใน ใ, นใจในรูปนาม เป็นนิพพานชนิดแรกเรียกสัพพะทิเสสนิพพานนิพพานกิเลสอยู่ไปจนขันมันแตกดับก็เป็นนิพพานขันเป็นอนุปาทิเสสนิพพานฝึกนะจะให้เสียชาติเกิดแล้วตั้งใจไว้ตั้งใจไว้นะทําความดีไปเรื่อยตั้งใจทุกคราวที่ทําความดีก็ตั้งใจขอให้ได้รู้ทำเห็นทำตามพระพุทธเจ้าไปได้พ้ทุกพ้นร้อนไป ถ้ายังต้องเรียนใบไตเกิดอีกขอให้ได้เกิดในแวดวงของคนที่มีสัมมาทิฏฐิขออย่างนี้นะอย่าขอเป็นคนไทยนะเดี <c oughs> ๋ยวจะเสียใจทีหลัง <c oughs> นะขอเป็นชาวพุทธขอให้มีสัมมาทิฏฐิทำนะบุญแนละ้วอธิษฐานไปถ้ายังต้องเกิดอีกขอให้เกิดเป็นพวกสัมมาทิฐิอยู่ในแวดวงของสัมมาทิฏฐนะิสมควรแก่เวลานะสี่สิบห้านาทีอดีพอดี ใครจะสงบ้านมีไหมว่ามาใครจิตออกนอกบ้างจิตออกนอกก็ลืมตัวเองใจหนีไปแต่ทั้งทั้งที่รู้สึกตัวเองนะเช่นเราหายใจหรือเราดูท้องของยู่แล้วจิตไหลไปที่ท้องเนะี่ยอันนี้ก็เรียกว่าจิตออกนอกเหมือนกันนะจิตมันเคลื่อนไปจิตมันไหลไปไม่ตั้งมั่นสวัสดีค่ะพระอาจารย์ค่ะ คื อ, อขอถามว่าความรู้สึกเมื่อเป็นสมาธินี่รู้สึกยังไงคะสมาธิมีหลายชนิดไงความรู้สึกไม่เหมือนกันเนาะอย่าสมาธิชื่อจิตรวมอยู่ในโรงันเดียวนะเหมมีความสุขไม่มีอุเบกขาไปนะส่วนสมาธิที่จิตตั้งมัมมม่นเป็นคนดูเนี่ยความรู้สึกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยสมาธิมีหลายอย่างส่วนสมาธิที่จิตนิ่งเฉยเฉอยู่นะเป็นสมาธิใช้ทาสมถะ ใจสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวนะถ้าขาดสติใช้ไม่ได้เลยเป็นวิชฉาสมาธิตอนนี้ใจแน่นไหมไม่ค่ะจิตตื่นตอนเด็กๆจิตตอนเด็กๆกับจิตตอนนี้เหมือนกันไหมความรู้สึกไม่เหมือนค่ะนั่นแหละแน่ๆๆนละเด็กๆะมีจิตที่เป็นธรรมชาติแต่เด็กๆไม่มีสติพวกเรามักจะ ม, มีสติแต่เราไม่มีจิตที่เป็นธรรมชาติจิตเรานิ่งกว่าความเป็นจริง นั่จิตของหนูตอนนี้นิ่งกว่าความเป็นจริงมนาะนึกถึงตอนเด็กๆไหมให้ใจเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเลยแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเด็กๆนี่ดีมากนะถ้ามันมีสตินั่นทำวิปัสสนาดีเลยในสมัยพุทธกาลมีพระอรหันต์เจ็ดบต่างเยอะหน่อ เ, เป็นเนรอยู่กับภาษาดิบุตรทั้งหลายองค์ก็เด็กๆนี่จิตมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็โกรธใช่ไหมโกรธร้อยปีอะมาดีร้อยชาติร้อยปียองเธอสั้นนิดเดียวเดี๋ยวก็ดีกันละ ที่ร้องไห้น้ำตาเปียกแก้มเลยใช่ไหมแก้เดียวหัวล้อและใจมันเปลี่ยนตลอดเด็กเนี่ยใจมันเป็นธรรมชาติเพรวกเราใจไม่เป็นธรรมชาติแร้วนักปฏิบัติเนี่ยใจผิดธรรมชาตินะิ่งๆนิ่ ง, ล, งลูกเดียวเลยเรามีแต่สติแต่เราไม่มีใจที่เป็นธรรมชาติเด็กมีใจที่เป็นธรรมชาติแต่ไม่มีสติแต่ถ้าเด็กคนไหนมีสตินะมันจะง่ายมากเลยไปได้เร็วมากเลยงั้นต้องมาฝึกจิตฝึกใจนะอย่าให้จิตนิ่งอย่างอย่างนี้ จิตนิ่งอย่างนี้เป็นสมรถะเฉยๆไม่เกิดปัญญาหรอกค่ะค<ท>่ะค่ะอาจารย์หนูเพิ่งมาหัดฟังครั้งแรกเราเพิ่งหัดปฏิบัติทำครั้งแรกพระอาจารย์ว่าหัดเริ่มจากอะไรง่ายที่สุด啊ค่ะเริ่มเจากตัวเราเองสิรู้จักใจลอยไหมต่อไปนี้นอย่าใจลอยบ่อยใจลอยแล้วรู้ปล่อยๆใจลอยแล้วรู้ไวๆนะต่อไปนี้ ถ้าเราปฏิบัติทำนะก็เริ่มจากตัวเองไม่ไปเริ่มที่อื่นหรอกเราแบบนั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมยังไม่นั่งนั่งไม่ได้แใจยังฟุ้งเก่งอยู่นั่งไม่ลงง่ายๆหรอกเพราะงั้นหนูคอยรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆนะไม่ใจลอยแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันไปเดีื้อสมาธิค่อยเกิดทีหลงัองอันนี้เราเรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิเริ่มต้นจะไปใช้สมาธินำปัญญานี่ยทำไม่ไหวอัวนนี้ใจมันฟุ้งเก่ง แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ต้องใช้สมาธิก่อนของหนูเดินปัญญาไปก่อนหนูฉลาดมีปัญญาสมาธิมีไม่มากเราก็ใช้สิ่งที่เรามีเราใช้ทรัพยากรที่เรามีะงั้นหนูคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆการนมัสการพระอาจารย์ค่ะเริ่งมาครั้งแรกเหมือนกัน อยากขอคำคิดแนะเพราะไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยวิธีใดก็ไม่เคยเลยใช่ไหมหรือไม่เคยเค ย, เคยบางครั้งแต่ไม่เคยสําเร็จเคยบทบ้างเอาอะไวัดว่าสําเร็จไม่สําเร็จละ่ะฟุงฟ้งซ่านฟุ้สซ่านถ้าจะอาความสงบนะอันนั้นก็คือการทําสมถะถ้าอยากทาําสมถะก็ต้องรู้หลักต้องรู้จักเลือกอารมณ์อย่างคนอื่นเขาดูท้องพองยุคเราดูอย่างเขามันไม่สงบอย่างเขาก็ได้นะไม่จําเป็นหรอก เราต้องดูตัวเราเองว่าเราอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับ น, นั้นบางคนคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขคิดไปเรื่อยบางคนคิดถึงความตายแล้วมีความสุขคิดไปเรื่อยเราดูของเราเองอยู่อะไรแล้วสบายใจแสดงว่าเหมาะกับจิตมากต้องให้เลือกกรรมฐานให้เหมาะกับจิตของเราทุกคนนะไม่ว่าสมถะหรือวิปัสสนาต้องเหมาะกับตัวเราเองเมื่อเราซื้อเสื้อสักตวัวเราเห็นเสื้อตัวนี้สวยนะซื้อมาแล้วก็เล็กไป เราจะต้องอดข้าวก่อนเมื่อเข้าเรื่องเลยเสื้อสวยๆนะซื้อมาตัวใหญ่เบเลยต้องรีบกินข้าวเพิ่มอะย่างงี้ยนะให้ตัวใหญ่เท่าเสื้อไม่ใช่เราซื้อเสื้อให้พอดีกับตัวเราแล้ว เ, เลือกกรรมฐานที่พอดีกับเราสรุปคือทางจิตมากกว่าช่างจิตช่างจิดเนี่ยรู้ทันจิตไหคํากรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาจะพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้แต่ไม่ใช่พุโทโธออกสงบไม่ได้หายใจเอาสงบ หายใจไปพุโทโธไปเรารู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านไปให้รู้ทันเวลามันฟุ้งซ่านบ่อยๆมันจะสงบเองเมื่อไหร่ฟุ้งซ่านเมื่เรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเมื่อไหร่จิตไม่ฟุ้งซ่านจิตก็สงบง่ายๆไม่ยากหรอกวิธีปฏิบัติแบบนี้นะอยู่ในพระสูตรที่2พระเจ้าสอนอยู่ในสามัญญผลสูตรสอนรชาติศัตรู คื อ, อาชาติสัตรูเป็นกษัตริย์วันวันมีเรื่องต้องคิดเดยอะท่านไม่ได้เริ่มไปต้นจากอานาปนาสติอะไรหนะนั่นให้รู้ทันจิตที่มันฟุ้งไปนี้นะเรารู้ทันนะจิตมันสงบเองอนะไปฝึกเอาคอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านฟุ้งเก่งนะขณะนั่งฟังได้ยินทุกอย่างเลยแต่ว่ามันก็ยังมีแวบบ๊บให้มันแวบบ๊บ แว บ, บเรารู้ไม่ใช่ห้ามแบบนะถ้าห้ามแบบผิดเลยใจจะเครียดถ้าแว็บแล้วรู้แล้วกับแว บ, บแล้วหลับไม่ต่างกันหัหยต่างกันมากเลยรู้กับหลับมันไม่เหมือนกันนี <c oughs> ่ <c oughs> รู้มันตื่นถ้ารู้เป็นบางช่วงบางช่วงหลับถือว่ายังพอใช้ได้ไดใช่ไหมใช่ได้ยังมีรู้บ้าง <c oughs> <c oughs> รู้ตลอดไม่ได้หรอกไม่ใช่ภูมิของพวกเรานะ เรารู้ตลอดเวลาไม่ได้ชื่อดีชื่อภาวนาอ่ะวมส ก, การพระอาจารย์ค่ะวันนี้มารายงานการปฏิบัติ ม, มันแยกให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นขันมันแยกได้เนาะแล้วเรื่องศีลก็ดีขึ้นถ้าเรียนกับหลวงพ่อนะมันจะได้หมดนะศีล ส, สมาธิปัญญาเกิด มันมาเองค่ะองอย่างที่พระอาจารย์พูดจริงๆค่ะเพราะว่าเราได้ได้ต้นตอมันนะเราได้สติแล้วมีสติรักษาจิตอยู่เอกิเลสเกิดเรารู้ทันสีมันมาพมื่อความฟุ้งซ่านเกิดเรารู้ทันสมาธิมันมาแล้จิตมันตั้งมั่นอยู่ธาตุขันมันแยกธาตุขันมันแยกมีเห็นเลยแต่ละธาตุแต่ละขันไม่ใช่เราหรอกปัญญามันก็มาง่ายๆแค่นี้เลยแต่มันยากตรงที่ถอยออกมาเป็นคนดูได้นี่แหละยากๆนะ แต่พระรูดออกมาได้อย่างนี้ขันไม่แตะเราเองนะเดีย๋ยวบางคนพูดเรื่องนามรูปปริเชตยานแยกไม่เป็นหรอกดีแต่ชื่อนะอย่างดูว่ารูปของก็อนหนึ่งรูปยุบก้อนหนึ่งอ้ น, นั้นแยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกรูปกับนามนามรูปปริเชตยานเนี่ยแยกรูปกับนามร่างกายถือมาอยู่ใช่ไหยไม่ใช่เราหรอกกลัแไปมันจะเริ่มเห็นความจริงของมันมันสแสดงใจรักนี่บางคนเคยฝึกเจริญปัญญามาแต่าชาติก่อนก่อน พอขันปอจิตตั้งมั่นอ่ะขันจะแยกเองเลยะคนนี้มันแยกเองแต่บางคนมันไม่เคยฝึกมาต้องมาช่วยมันแยกวิธีช่วยมันแยกคือพยายามดูให้เป็นไตรลักษณ์เทียบกันเช่นเมื่อกี้มันหายใจออกตอนนี้มันหายใจเข้าเมื่อกี้มันหายใจเข้าตอนนี้มันหายใจออกเนี่ยแสดงว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ด้วยการคิดเทียบเอาเรียกว่าสัมาัตสนญาณเนี่ยไม่ใช่วิปัสนาตรงที่เป็นวิปัสนาเนี่ยมันเห็นโดยที่ไม่ได้คิดหรอก เหนจากของจริงเห็นไหมจิตแอบไคิดลืมกายลืมใจเห็นไหมเออดูอย่างนี้นะใช้ได้แล้วล่ะไปฝึกต่อแล้วไม่อยู่วันหนึ่งเห็นว่ามันไปต่อหน้าต่อตาเลยครอาจรย์ทีนี้มันรู้สึกว่าเอ้ยมันมันเราควบคุมไม่ได้มันไม่ได้มันเป็นอนัตตาแล้วมันทุกข์มันมันสะลดมันเสียใจมันร้องไห้แบบเพราะว่ามันอยากคุมให้ได้มันผิดหวังมันคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราของเรา พอมันเริ่มเห็นความจริงนะบังคับไม่ได้นะไม่ใช่ตัวเราของเรานะใจมันยังยอมรับไม่ได้น่าสลดบางคนเสียใจร้องไห้เลยบางคนเลิกปฏิบัติไปเลยต้องอดทนนะเป็นทางผ่านไม่เลิกค่ะไม่เลิกถ้าขัดไม่แยกเราเลิกยากนะ <laughs> มีพระองค์หนึ่งนะท่าปนปฏิติอย่างหลวงพ่อถ้าอายุเยอะแนละ้วหลวงพ่อสอนถ้าเรื่องจิตมันเคลื่อนออกไปท่านไม่เห็นนะเนาะทั้งยงก็ไม่เห็นนะ วันหนึ่งท่านไปกวาดวัดแล้วท่านเห็นจิตท่านไหลไปอยู่ที่ใบไม้จิตไหลไปที่ใบไม้ในจิตท่ตั้งมั่นปุ๊บมาเลยขันแยกเลยะแล้วท่านบอกว่ามันปฏิบัติเองต่อไปนี้นึกออกใช่ไหมมันปฏิบัติเองอันทำเองจริงอันทําเองอถ้าเราทํา่ำมันไม่ใช่วิปัสนาหรอกขันมันจะแดงใจรักเองเลยถึงจะเป็นวิปัสนาธรรมะไม่พูดเอาอไม่ได้นะบรรยายช็อตช็อตอตแต่ว่าไม่เห็นของจริงใช้ไม่ได้หรอก ต้ออย่างนี้แหละค่อยดูไปในวันหนึ่งปัญญาก็เกิดอันนี้เป็นตัญญาเบื้องต้ น, นะคือเหยียบรูปเพยียบนาได้เห็นรูปนําแสดงไตรลักษณ์ได้ค่ะพอเขาขึ้นพมาอาจารย์ค่ะการธรรมศาสการพระอาจารย์นะครับผมขอกาดเป็นสิทธิ์พระอาจารย์นะครับไม่ต้องสมัครหรอกพอดีผมเพิ่งปฏิบัติตามอ่าเสียงพระอาจารย์มาต้นเดือนนี้ครับแล้วสังเกตไหมว่า ฝึกแต่ต้นเดือนเนี้ยวันนี่วันที่เท่าไหร่ยี่สิบฝึกมาไม่กี่วันหนึ่งครับคุณเห็นไหมว่าใจเราไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมครับเครื่องพลังพละหลุดไปเยอะเลยครับเออนั่นแหละพอใจมันตื่นขึ้นมามันเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันจะรู้เลยนะว่าธรรมะนี่อัศจรรย์จริงๆแล้วตอนนี้มันรู้สึกว่าอร่างกายมันพงๆครับเออใจมันพงๆเออแต่ผมไม่ได้รู้สึกมันที่พระอาจารย์บอกในซีดีครับว่ามันแยกกันห่าง แต่ผมคิดว่ามันอยู่ด้วยกันแต่มันดูไม่โดนกันครับมันไม่โดนกันไอ้ที่แยกออกอย่างห่างนั่นหมายถึงมันมันเมืโดนกันมันเหมือนเป็นวงวมันอยู่ด้วยกันนะแต่ว่ามันไม่กระทบกันครับผมมันก็แยกแล้วล่ะแล้วมันก็พระเจ้าท่านบอกงนี้นะกายเหมือนครูหาเป็นถ้าเป็นโพรงเห็นไหมครับจิตอาศัยอยู่ในกายนี่แหละครับดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเห็นไหมจิตเกิดดับทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวนี้นอนน้อยกว่าเดิมอีกครับเออมันมันตื่นแต่ดึกเลยครับร่างกายมันนอนนะแต่จิตมันตื่นครับ บางทีตื่นแค่จิตมันตื่นขึ้นมาเห็นร่างกายกลวนครอกๆอยู่ร่างกายมันหลับแต่ไอะไรที่มันตบเกิดดับเกิดดับมันตะกันอยู่ตอนเช้าเลยครับเออนั่นแหละมันเล่นกันเองหมดเลยเย็าไปกลุ้มใจนะสนุกดีครับโอ้พอน้ต้องอย่างนั้นเลยแล้วทีนี้มันมีอยู่อย่างนึงครับมันเตดอยู่ไอตัวที่บีบครับอย่าไปบีมันสิผมผมผมผมปรึกษากับมันแล้วครับเพราผมไม่ได้ทำมันมันทําเหมือนทํเพราะว่านี่มันทําเองครับ แล้วทีนี้ผมจะเป็นอัลไซเมอร์ไหมครับไม่เป็นอ่ะบางทีมันก็คนอื่นทําก็ได้นะผมเชื่อว่าคนอื่นทำเขาเป็นพลังเป็นพลังสิ่งแปลกปลอมนะเขาจะไปไหมครับไม่มีอะไรเที่ยงนะผมไม่เกินกรรมผมยึดคําที่พระอาจารย์เคยบอกว่ารู้เข้าไปเออเดี๋ยวมันก็รู้รู้ได้จิตที่เป็นกลางนะตอนแรกไม่เป็นกลางครับเออตอนแรกใจมันโล่งๆโพงๆอยู่ทีนี้พอผ่านพลังงานแปลกๆวินเข้ามาเสียบปุ๊บจิตเข้าไปพัวพันเลย แล้วใจไอ้ที่เคยนิ่งๆม่วงว่างครับแจมด้วยเลยเออให้รู้ทันเนี่ยไปแจมมันพอนึกไปปุ๊บรู้ทันปุ๊บมันแยกออกมาอยู่แล้วมารเนี่ยจะต้องจัดการเราแน่นอนเวลาที่เราจะพ้นจากอานาจมันนะมันจะต้องต่อต้านเนี่ยส่งพลังงานมาแกล้งเราก็มีนะผมโดเรื่อยๆเลยครับไอ้พวกไซยาสตร์นะคุณใส่กันทำครับถ้าเราพอนาดีๆมันแกล้งเราได้แต่อย่าไปกลัวอยูที่กรรม ผมก็ไม่กลัวครับเออมอบกายถวาย <laughs> ชีวิตให้พระพุทธเจ้าผมถวายทุกคืนครับเวลาไหว้ผมบอกร่างกายนี้จิตนี้ผมให้เป็นพุทธบูชาหมดเลยครับออแล้วก็จะปฏิบัติตาม อ, อคําสอนของพระพุทธองค์เป็นออการาสการะครับเออต้องอย่างนั้นนะแล้วก็จะทุกขทุกชาติไปครับถ้าไม่สาเร็จเออนะทุกข พ, พิกชาติให้มีสมาทิฏฐิ อย่าเกิดเป็นคนไทยนะอย่าไปอธิษฐานอย่างนั้นขอให้ได้เป็นคนแล้วก็อยู่ในศาสนาพุทธก็พอแล้วครับเออนะเขาให้ได้อยู่ในศาสนาตรงไหนก็ได้ครับถ้าศาสนาพุทธสูญไปจากโลกก็ไปเป็นเทพผมผมเชื่อที่พระอาจารย์บอกแล้วครับว่าอย่างอื่นปฏิบัติไม่ได้อืไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์ทำปฏิบัติได้ง่ายไม่ใช่อยากปิดอย่างอื่นไม่ได้นะเทพรอมเนี่ยทําได้ครับอย่างที่ผมทําอยู่นี้ถูกหรือผิดครับถูกแต่ว่าใจเป็นฟุ้งในธรรมะต้องระวังตัวดีนะมันจะเกิดอาการฟุ้งในธรรมะขึ้นมา ตัวนี้เป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งให้รู้ทันทําวิปัสนาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเจอวิปัสสนูสักตัวสองตัวเป็นของแถมผมกําลังเจออยู่ใช่ไหมครับใช่แต่ผมไม่รู้จักมาเลยมันจะชอบคิดธรรมะชอบพูดธรรมะอะไรอย่างนี้เป็นไหมเป็นครับเออนั่นแหละให้รู้ทันนะอยาให้มันครอบจิตเวลาไปสอนหนังสือเด็กก็อต้องแถมทุกทีเออให้รู้ทันนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนูแลอยากให้เขาเป็นเด็กดี ใจมันจะอยากพูดธรรมะให<ช>้ ร, รู้ธรรมนันะใช่สิไม่หลอกหรอกอขอบคุณมากครับกาบนมันสการอาจารย์ค่ะหนูส่งการบ้านครั้งแรกค่ะก็ปฏิบัติตามรูปแบบมาเจอสภาวธรรมตอนที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดภาษา ม, มันเหมือนจิตมันปรุงเป็นสังอ เป็นสัญญาขึ้นมาพอรู้ทันมันก็ดับบางทีมันกําลังจะปรุงเป็นสังขารอะไรเงี้ยก็คือมันมันก็จะดับก็จะเห็นเกิดดับถ้ารู้แล้วมันดับเองไม่เป็นไรแตถ้าจงใจให้ดับนี่ผิดเลยไม่มันพอเห็นรู้เห็นรู้ปุ๊บมันก็ดับเลยมันก็เอ๊ะทําไมมันดับเร็วจังสังเกตดูอย่างนี้ถ้ามันดับเป็นธรรมชาตินะใจมันจะรู้ตื่นเบิกบานนะมันเหมือนมันว่างนิดหนึงอะค่ะถูก ใช่ไหมคะมันจะว่ามว่างมาคั้นนิดนึงใช่ค่ะมันจะว่างขั้นนิดนึ่งตอนนั้นเรียกว่าสันตติขาดแล้วเห็นไหมความสืบเนื่องขาดแล้วอาจารย์บางทีหนูกําลังนั่งกินข้าวหนูก็นั่งภาวนาไปมันเหมือนจิตมันเข้ารวังแล้วมันก็ถอยถอยมาเป็นผู้ดูค่ะว่าไอ้ร่างกายนี้มันไม่ใช่เราอะไรเงี้ยคืออันนี้คือถูกแล้วใช่ไ่มคะก็ได้แต่ว่าต้องระวังอย่าให้จิตมันนิ่งๆนะ มันไม่นิ่งแล้วมันมันก็ดับไปอย่าให้จิตทือๆอยู่อย่างตอนเนี้ยมันทือๆไปต้องไม่ให้เป็นอย่างนี้นะไม่เป็นธรรมชาติเลยค่ะเห็นเกิดดับเกิดดับไม่เหลือไม่สงวนตัวเที่ยงเอาไว้ตัวหนึ่งอย่าให้เหลือตัวเที่ยงไว้ตัวหนึ่งนะอหลวงพ่อหมุกปฏิบัติใช้ลมหายใจคือใช้ได้ใช่ได้หมอกัจริดเราฟุ้งเก่งใช้ลมหายใจเไปหายใจแล้วรู้ทันจิตนะค่ะ แล้วเวลาเราทําในรูปแบบมันก็คือดูลมหายใจไปอย่างเดียวไม่ใช่ดูลมหายใจจะแตกต่างกันนะส่วนใหญ่เราจะดูลมหายใจลองเปลี่ยนซะดูร่างกายหายใจเปลี่ยนซะนะอย่าไปดูลมหายใจค่ะก็มาดูลมหายใจเราจะพิเพ่งลมหายใจแล้วเปลี่ยนมาดูร่างกายหายใจดูสบายๆกว้างๆไม่บีมความรู้สึกเราไปที่ลมดูร่างกายหายใจดูร่างกายพยักหน้าดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนอย่าไปดูลมนะ ก็ดูลมอย่าเพ่งลมกาบขอพระคุณค่ะนี่เรียนมานานแล้วนนี้กลาบหลวงพ่อครับครั้งที่แล้วผมรายงานการปฏิบัติกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกไม่ต้องรักษาไม่ต้องทำมักภพมีพันธั์เกิดนะครับผมก็กลับบ้านมีครั้งหนึ่งผมหลับไปพอช่วงตื่นมาตอนเช้าปุ๊บเห็นจิตมันจิด ขณะที่สามปุ๊บเห็นสติอื ว, วิ่งเข้าไปจับจิตเลย<ต>วิ่งเหมือนกับหนูกับแมวปุ๊บเลยฮะเราไม่ว่ามันหรอกมันเป็นเองหรอกพอหลังจากนั้นอยู่สองวันผมก็เห็นมันทําอย่างเนี้ยนะอืพอทุกสามขณะจิตสติจะเกิดขึ้นเองทุกสามขณะจิตอ<ต>แล้วก็ผมก็จําหลวงพ่อบอกสอนว่าอย่าไปรักษาอืผมก็ปล่อยมันไปอืพอหลังจากนั้นถัดไปอีกวันหนึ่งปุ๊บคราวนี้เห็นจิตไม่เกาะผิดอารมณ์อืม ผมก็ดูดูอยู่นั้นประมาณสองวันก็เห็นจิตไม่เกาะติดอารมณ์ก็นึกถึงคำของหลวงพ่ออีกไม่ต้องรักษาผมก็ปล่อยให้มันหลงแต่นี่มันเกาะละดูออกไหมเห็นหน้าแสดง่ไม่ใช่พระอรหันนะเดี๋ยวหลังจากนั้นผมก็ปล่อยมันให้มันไปตามปกติแล้วก็รู้เอาหลงแล้วก็รู้เอาเอหลงแล้วรู้เอาสบายดีเลยก็พอฝึกต่อมาอีกสักพักหนึ่งก็จะเห็นว่าเห็นตัว ราคาตัสะโมหะสติสมาธิปัญญามันมันทาหน้าที่ของมันโดยจิตจิตก็เห็นแล้วก็เป็นกลางๆครับไม่ไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินลายเหมือนเหมือนที่เคยผ่านมาแต่มันอิ่มใจเหมืนอนอิ่มใจที่เห็นอยู่นี <laughs> ่อย่างยินดีนะคราวนี้กลับเรียนหลวงพ่อว่าผมอยากขอการบ้านหลวงพ่อเพิ่มไปทำอีกนะทาเล่นๆอย่างนี้เละ ทำเล่นๆไปถึงวันหนึ่งมันจะเห็นมันไม่มีเราสักที่หนึ่งเลยมันทำงานได้เองเห็นไหมไมันทํางานได้เองเห็นละไม่มีเราหรอกดูไปจนใจมันยอมนะใจมันพอตอนนี้ยังไม่พอขอบพระคุณอาจารย์ขอบคนะุณพระเจ้าก่อนยังไงก็ต้องคิดถึงพระเจ้าก่อนนักวิชาการคะ่ะหลวงพ่อส่งกันบ้านครั้งที่สองค่ะครั้งแรกหลวงพ่อบอก คั้แรกคือแต่ก่อนหลวงจะแบบเหมือนกับประครองตัวรู้ไว้ทีนี้หลวงพ่อบอกว่าอยากไปประครอง<ม>ก็ก็คืออีขึ้ น, นะะ<ม>ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเราพอจะเริ่มแยกแยกทัดแยกขันได้<ม>ถูกไหมคะแล้วก็<ม>อ่าความรู้สึกต่างๆมันก็มันก็จะเกิดขึ้นในในจุดต่างๆมันมันก็ยังคล้ายๆเดิมอะคะ่ะ<ม>แล้วบางทีมันจะมีความปิกอัด ติดอัดในใจเวลาเราสวดมนต์เวลาเราเริ่มันเกิดจากเราตั้งใจเราโลภอะมันตั้งใจมากมันมแน่นแน่ะแล้วเรารู้อย่างที่มันเป็นนะเบิกบานสบายเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวหมายความว่ายังไม่ถูกต้องยังบังคับอยู่ยังจงใจอยู่มันจะแน่นเราวิธีที่เราจะเรารู้ทันอีกอันหนึ่งนะใจเติมเราเพ่งเรารักษาตัวรู้ไว้นิ่งนะ เราปล่อยเนี่ยจิตมันเคลื่อนออกข้างนอกไปว่างๆอยู่ข้างนอกนะอย่าให้จิตไปติดว่างอยู่ข้างนอกนะมันย้อนกลับมารู้สึกในร่างกายบ่อยๆค่ ะ, ะกลับเข้ามาที่กายจะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะรู้สึกเรืยๆแล้วหนูมาะ ก, กับการดูกายมากกว่าใช่ใช่ดูกายบ่อยๆแล้วอ่าการเวลาเราสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วเราอึกอัดแล้วเรารู้ว่าเราอึดอัม อย่างนี้ถูกต้องใช่ไม่ต้องแก้ดอกน ะ, ะดูไปเอือดก็ไม่เที่ยงข อ, ขอบพระคุณค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ ะ, ส, าาคะส่งการบ้านขั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมกราปีที่แล้วตอนที่ไปปฏิบัติที่วัดก็หนูกลับเปพระอาจารย์เรื่องติดเรื่องนั่งสมาธิตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะคือนั่งแล้วก็สวดมนต์ ในใจก็มีความรู้สึกว่าเบามันโลมแล้วก็บางครั้งตอนช่วงที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าจิตไม่ถึงฐานแล้วก็ติดสุขก็พยายามดูไปอะออรู้ทันนะรู้ทันมันต้อาหาเองแหละแล้วก็ตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าแยกธาตุกับขันได้เร็วขึ้นถูกใช่ไหมคะ ถ, <า> ถ, ถูกแล้วแล้วหนูกก็ไปเรื่อยอย่างนี้ใช่ไหมคะ S <S <S ใช่แต่ไม่ทิ้งการทำในรูปแบบนะหนูก็ปฏิบัติในรูปแบบทุกเช้าอะค่ะสนมมีวินัยเราพัฒนาได้เยอะเยอะยดีหนูขอถวายปฏิบัติเป็นพุทธบูชาสาธุสาธุงานามหกรารหลวงพ่อครับเออผมได้ไปกราบหลวงพ่อล่าสุดเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วครับหลงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าผมพอจะเห็นกายกับจิตมันแยกจากกันได้แต่ตอนนี้ผมก็ยัง ไม่แน่ใจว่าที่เหตุมันๆๆเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณพแต่ว่าที่แน่ๆคือรู้สึกว่าจิตมันฉลาดขึ้นมันเลือกมันรู้จักเลือกที่จะหยิบสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทิ้งสิ่งที่มันไม่ดีๆๆครับอพอดีก็บบนั้นเรียกเป็นปัญญาอย่างหนึ่งนะเรียกสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นตัวที่รู้จักเลือกเส้นอันไหน ม, มีสาระอันไหนไม่มีสาระอันไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์ในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์อันไหนควรกับเราอันไหนไม่ควรกับเรา เราก็จะรู้จักเลือกครับหลวงพอ่อก็รู้สึกว่าเวลาที่ทําผิดสีเนี่ยมันจะขนลุกเอกลัวแบบใช่ทีนั่นแะอตปามันเกิดนะครับเนี่ยสีนาตโนมัมันจะมาแล้วมันทําผิดไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อครับแล้วก็ช่วงนี้ผมพยายามปฏิบัติในรูปแบบด้วยการสวดมนต์นะครับหลวงพอ่อพอจะพอจะทําได้ไหมใช่ได้ใช่ได้จิตที่มีแรงดี ครับขอคำแนะนำหลวงพ่อเพิ่มด้ยครับอย่าวังผลนะทําไปเล่นๆ ท, ทําเป็นพุทธบูชาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันขอให้ได้ทำครับนะขอบคุณครับหลวงพ่อครับไม่ไม่ได้ไปส่งกันบ้านหลวงพ่อสักสามปีเพราะว่ามีสุขภาพสุขภาพที่ต้องเจอบททสอบใหญ่เลยต้องฟอกเลือด อืมอืมรู้สึกว่ามันมันรักตัวเองมากสัเเงเกตไม่ไกลกับใจเป็นคนละอันะฟอกเลือดได้ไกายมันฟอกนะใจเราไม่ได้ฟอกกใจเราเป็นแค่คนดูถ้าใจเรายอมรับสิ่งที่กําลังปรากฏได้ใจจะไม่ทุกข์นะอย่างถ้าใจยอมรับไม่ได้ไม่ต้องฟอกเลือดใจจะทุกขนะ์ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะกายจะแก่กายจะเจ็บกายจะตายเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของใจ เรารู้ทันใจของเราให้ใจมันสบายเป็นอิสระไม่ประคองรักษาใจด้วยแต่ให้คอยรู้ทันใจอย่ารักษาน ะ, าะรักษาแล้วจะอึดอัดก็รู้สึกว่าแรกๆก็ชั่วโมงแรกๆก็ดูได้มากเรื่อดียมองตัวเองเวลาชั่วโมงท้ายๆจะตุ่นมทัหลายตุ่ธรรมดานะธรรมดาดูไปว่ากระทั่งความสงบของใจก็ไม่เที่ยงนะดูไปอย่างนั้น คืนเนี่ยหลายหลายครั้งคือจิตจิตมันตื่นกลางดึกของตนขึ้นมานสมาธิบ่อยๆจะลุกเรือไม่ลุกไม่สําคัญนะแต่จิตมันรู้สึกตัวใช้ได้ ใ, <ช>ให้มันตื่นของมันเอง<ช>เราเห็นร่างกายมันนอนไปก็ได้ไม่จำเป็นต้องฝืนขึ้นมาเลย น, นะครับก็ลุกขึ้นมาตั้งได้ครับแต่ว่าก็ ท, ทําติดต่อกันหลายๆลายคืนแต่เวลากลางวันก็ยังไม่ค่อยมีตัวทำให้คือให้ร่างกายมันพักพอหน่อยนะ แล้สติมันก็เป็นง่ายตอนในชีวิตธรรมดานล้ร่างกายมันตรับรำมากไปตอนตื่นๆอยู่มันจะเบลอๆไ ป, ไปใจให้เข้าบ้านให้ ใ, ใจออกจากบ้านไปพุทันกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับร่างกายอยู่กับใจบ่อยๆนะหายใจใหายใจความรู้สึกจับไว้ที่ลมหายใจเข้ามาปข้ามานะสักสองครั้ง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 สพีติโยวิวัตชนตูสปโรโควินัสตูมาเตภวัต ว, วันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนาสีเลสนิจังวุธาปจายโนจัตตารธรมาวัันตีอายุวันโนสุขงงสังประลังหลวพขอพ อ, ขอนุมโมทนานจัดแสดงธรรมเป็นเรื่องดี บ, าบ้านเมืองเราร้อนมากไป ไม้มีศีลมีธรรมไหม mm hmm. เดี๋ยวเราพักไปก่อนนะ